มัม ja ่แข็งมืนรู้นกันสิบพวกเในป้อนไวหรอเด้อมาตกระเ็นบินบาดรามัม่แข็งต่างๆมากไกลๆมันเ่ไกลก็นี่ม่เจะเล่นไปเอามันไปหเพราะว่าก็ได้มาเอาเนราได้นัดโนมมามูดบินบาดทุกคนมาเนาะโอ้ยพูดถงแท้ก็มันม่ให้ ยิมบาทะตนบาทญ า, ากระจ้ ก, กระจายเล็กน้อยมาใช่บาทถุงก็บบาทซอนแต่ขาดลูกเจ้าก็ไปให้ไปให้นี่กู้ให้ใหนเมื่อสูงก็พูกเอาได้ไป ใ, ใ, ให้ที่ม่นไปเอาดิให้ทำลูกเจาก็ให้ทา หาได้แล้วก็ต้องไปหาแจกนมต่ะให้ทํำทานดีกว่าให้สิ่งให้ของดีกว่าให้ต้มก๋วยเให้เป็นได้บุญให้ไม่เป็นได้บาปให้พระญาให้พระเกิดทีเล่มันได้บาปทำบอกไปวัดทําบุญไปวัดทําบุญมิตยาหาห้่ฝ่าเห่านี่วันแรกว่าจะ ก็จะเลิกใบไม้นี่กับปลาราเนี่ยไปอาะดึงสายยางหดพวกไม้แห้งก็ได้เดียกับนี่ถได้แดงอมันเป็นซุ่มๆแน่พวกแศดอาหารกับเศษเ็ดไปตั้งหาดเนี่ยพระเจ้าซ็งโกไม้พเจ้า่ห้ฝังเขาฝังจะเป็นอย่งไรมเป็นตัอย่ก็โคกไม่เป็นตัว่างก็ขี่ดิน่ ของอนุทวัตขอจะให้คัดพวกตีนเอาง่ายๆนะดีก็ไปถงเดี๋ยวันุทวัตจมขยะกหลายอีกครับแล้วให้แจกแจกก็ไว้หลน้ำที่แรกสร้างอาหารก็เทเเสิ่คุกงส่อย่างไว้ขอไปมดกุ๊กไหม้ปถัดกุ๊กไหมนี่จะงดกุ๊กไหม ฟังเสียงเาไหมก็ไม่ก็หลายเงาแต่ละมือแต่ละมือก็ติไปหมดตัวนั้นใช้ตัวนี้ใช้ตัวนั้นใช้ตัวนี้ประเทมือแล้วขบตันตัวอย่างเก่งของเศดอาหารอะไเป็นประโยชน์ด้วยดวงว่างคนเทศใส่กระถางบไงใบก็กระถางปูนเศษออาหารในปรเทศรวมกันใบได้เป็นประโยชน์นีเป็นนี่อย่างหล่ะได้ เย็บไปเพื่อได้นี่ก็เดี๋ยวไปติ่มดิร่วมกันเทใส่ถังใส่ถังกับบุหตัวมาตะ บ, บอเอาพลาสติกไปใส่ตอนนั้นแบบหนูเปื่อยง่ายปวกเสร็จหมักใหม่แบบต่อปวกเศร็จยังยังใส่ด้เมดพวก ม, ม่ทั้งนำนาจากแห้แงลูกปูต้นตั้งกทิติดแน่พอติดแน่ค้นบดิหดติดต่อกัน ไม่เกิดประวัติแหวะหรือเมื่อง น, นี่ตะกกเป็นดอกจะจะไปถอนดอกแล้วไม <c oughs> ่ไม่หนานี่เป็นกบใหม่เรืว่านั่นมันกออกมาเป็นดอกผลมูนพวกนั้นว่ากันทําไปเหตุด้วยหัวหนาไปฝังเว้นน้ำดิ้น ม, มันเปิดเกิดน้ำขึ้นมากแต่ที่ว่าเอนี่เป็นสถานที่เ <c oughs> อลบกบาบวยตะกะละบูชาตัวนี้ต่ป้าดอกไม้หัวใหญ่ขึ้นเขาไปอเอามาใสาแ่แจกันนี่ เด็กคนนีเรียบง่ายเห็นต่ปเทศไทยเดี๋ยวคนได็ก็มิตะขยะกห่องพระงามมิตะขยะกตกมูอมิต่ขยักอันนี้ของพ่อเด็กมาไม่ให้เขาว่าสิไอ้ป้อนป้าน่าสวยสิเรามาดูไอ้ที่เนื้อเราถึงเงียบนี้เง่หรืบอไปเวมารเจ้าค่ะ เียมาไกบ่สชโมงกลัวาอกัสโมงก็ไปได้อยู่ไปได้อ่นนี้เต็มแล้วสิคนสาเต็มทุ่มเมือสิยไก่กันใส่้อขไม่ต่างกับหายเห็ดน้ำมัน เดี๋ยวไปฝากแฟนกปฝเพื่นบ้บบงค่อยสำบาตเป็นยังเพื่นเป็นโลกร้ายชนิดเลยบอว่าลุงป่วยห้ยามาแล้วระสันได้เจาค่ะใจบ๊บป่วยร อ, ยยอประสันเจาค่ะยาอยู่นี่เออเจค่ะไปเสียงยางา่างยาล่วงวันเพ่นไปหาเขาแล้ว ก, กับเส้ามาแล้ก็ตายขึ้นก็ไม่ ขันเบื้งของฟุตเจ้ายาล้มฟุตเจ้านี่เพตายดิมคูณจกักว่าเจ้าค่ะร่วมนะเพราะบอมี่เกิดแย่ๆตายถึงแมาจะเสด็จเจ้าค่ะใส่เสื้อพวกฟุตเจ้าเสื้ออยังคนน้ำหลอกที่จะขี่ตัวเจ้ค่ะอันนี้สิเดี๋ยวกันนาง่ามเดี๋ยวกัดังงามไปหาเปิดบอมดังบวมนาเป็นไปทั่วที่นะิ เสียแต่เนี่ยเขาคิดถือว่าโรคนี้คือมูทัดี๋ยผมปลอมค้ออยู่ไปนิด คุณบออย่างมาเอาอะไร EN, เอาไปชงน้ำบ้านไปก่อนเจ้าค่ะให <c oughs> ้เลือกกบให้ทำเป็นทานดีกว่าให้สิ่งทั้งปวงดูไว้ใช่ว่าป่าแบลกหามนิจาวะจสตตังกาลา <c oughs>